นะโมทัสสะภะคะวะโต arahato ั a นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato ต a m a ส a ม u d h a t t นะโมทัสสะภะคะวะโต arahato sama s <an> ั m <registered> ธรรมะจาริงสุขังเสติวิเรียทุกมัเตเจติปัญญาโรกสมิตตีตีทอดเจริญพรแด่ทายาทโยมทั้งหลายทุกท่านทั้งผู้บริหารและก็ตลรองผู้บริหารทุกๆระดับและก็เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ของบริษัทโทรค ม, มนาคมหรือร่วมกับบริษัททีโอทีโทรค ม, มนาคมกับทีโอทีรวมกันก็เปรียบเสมือนดังตาซ้ายตาฝาแขนซ้ายแขนฝาขาซ้ายขาฝาจมูกทั้งซ้ายและจมูกทั้งฝาหูทั้งซ้ายและฝา หรือปอดด้านซ้ายและด้านขวาที่มันสมบูรณ์ก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสภาพที่สมบูรณ์อะไรที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นเหตุนำไปสู่ความสําเร็จที่สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์งทรงมีบารมีที่สมบูรณ์ บารมีของทางโลกองค์ก็สมบูรณ์บารมีทางธรรมพระองค์ก็สมบูรณ์บารมีทางธรรมก็คือพระองค์สร้างบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากัปบารมีของของทางคารวะพระองค์ก็เป็นพระหมหากษัตริย์เป็นราชรัตถายาตของพระหมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระมานดาของพระองค์ก็เป็นบุตรราชบุตร ราชธิดาของตระกูลของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันกรุงก บ, บิลพั์และกรุงเทวทหะทั้งสองกรุงนั้นก็ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนแขนซ้ายและแขนขวาไม่มีแขนหนึ่งแขนใดยาวกว่ากันสั้นกว่ากันถึงเรียกว่าแขนที่สมบูรณ์นิ้วของแขนก็นิ้วของฝ่ามือก็เป็นนิ้วที่มีครบสมบูรณ์หรือที่เขาเรียกว่า ลักษณะของมหาบุรุษลักษณะก็คือมีความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์บริษัทโทมนาโทรค ม, มนาคมหรือบริษัททีโอรวมกันเข้าก็เป็นบริษัทที่สมบูรณ์บริษัทมันสมบูรณ์แล้วพนักงานของบริษัทก็สมบูรณ์ความสมบูรณ์นี้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะมาทํางานบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัท ทั้งสองบริษัทรวมกันเข้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีและสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการที่เราจะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากคําว่ายากคาคําพูดของอาตมานี้ว่ายากเนี่ยความจริงมันยากมากกว่านั้นกว่าที่เราและท่านทั้งหลายจะมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ชาติที่สมบูรณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและความประเสริฐเลิอดล้ําของร่างกาย และความประเสริฐเลิศล้ำของจิตใจและความเบิดเลิศล้ำของบุญวัสนาของเราที่เราสะสมมาตั้งแต่ในอดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนดังพระธนไกรทั้งสามประการมันโต๊ะที่สามขาขาดขาหนึ่งขาใดก็ตั้งไม่ได้พระัตนตรัยก็เช่นเดียวกั น, นามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ก็คือที่สมบูรณ์ธรรมของพระองค์ก็สมบูรณ์ สืบต่อกันมาแบบสมบูรณ์ที่สุดถ้าขาดตกบกร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปมันก็ไม่สมบูรณ์มีแต่พระพุทธเจ้ามีพระธรรมแต่ไม่มีพระสงฆ์สืบต่อความสมบูรณ์เหล่านั้นก็จะหายไปชั้นใดก็ตามเราทุกท่านเราทุกคนก็ต้องมีความสมบูรณ์ท้งร่างลานกายและจิตใจเพราะฉะนั้นความร่างกายและจิตใจของเราที่มีความสมบูรณ เหมือนประเทศชาติอยู่ประเทศไทยที่มีทั้งสถาบันชาติที่สมบูรณ์สถาบันพุทธศาสนาก็สมบูรณ์สถาบันพระมหกากษัตริย์ก็สมบูรณ์เพราะความสมบูรณ์เหล่านี้แหละจึงเป็นที่ผูกจิตผูกใจกับคนไทยไว้ทั้งหมดเพราะว่าพระมหกากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็เป็นาศาสนูประถมพบเรื่องของทั้งชาติทั้งาศาสนา แล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์มีความเกี่ยวพันกันเหมือนเราและท่านทั้งหลายมีความเกี่ยวพันกันกราบชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศชาติเราก็จึงมีความสมบูรณ์จะว่าขาดตกบกพร่องก็ไม่ได้และยุคนี้เป็นยุคที่มีความสมบูรณ์ของพุทธศาสาศนาอย่างสูงสุด ในขณะนี้ทุกๆประเทศที่มีพุทธศาสนาอยู่ไม่มีประเทศใดที่จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของพุทธศาสนาสมบูรณ์เท่ากับประเทศไทยในศาสนาก็สมบูรณ์สถาบันพระมหากษัตริย์สมบูรณ์แผ่นดินหรือชาติของเราก็มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ในด้านศาสนาสถาบันของเราก็คือมีพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าได้อุบัติขึ้นมาทุกคนยอมรับเรื่องของ อุกอาจอุบัติครึ่งของหลวงปู่เสาหลวลงปู่มั่นขึ้นนั่นบงบอกว่าประเทศอินเดียเคยอยู่กับความจมปลักอยู่กับความถือชั้นวรรณะกันมามากมายไม่รู้กี่กี่ปีกี่ชาติกันมาแล้วเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ในฐานะที่เรื่องการเรื่องของ <c oughs> การนับถือนับถือการตระกูลการวรรณะกันนะกดังนั้นมั่งอย่างนี้บ้าง เพราะด้าเราทุกท่านเราทุกคนแต่พระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาทำให้ศาสนาหลายๆศาสานาก็ยอมรับสาภาพทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงยังเป็นเหตุทำให้พวกสมณะชีพพามทั้งหลายนักรตทั้งหลายทั้งปวงอย่างสะดินถามพี่น้องนทีกระสะปารู้เวนกัะสะปาขยากะสะปะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอัญญากโกชัญญะ หรือโมกคลาและสาลิบุตรหรืออุปติสสะและโกลิตะหรืออาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองคนแรกก็เป็นคณาจารย์ใหญ่คือผู้ที่เป็นคณาจารย์อสิทธด า, ดาบทและอุทโกาดาบททั้งสองตั้นนี้ก็คือนับถือพวกการแบบสมณฉีพามทั่วไปแต่พออุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็ตาสว่างขึ้นเหมือนความมืด ความมืดของเมื่อพระอาทิตย์ตกลงลงแล้วนะ่ะมองไม่สาไม่เห็นดวงพระอาทิตย์แล้วนั่นคือความมืดที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ในโลกใบนี้ทําให้มองอะไรไม่เห็นเราจะต้องมีอาศัยไฟให้สว่างเพื่อจะทําประโยชน์ในกลางคืนได้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพอพระอาทิตย์อุบัติขึ้นมาเท่านั้นเองนะ่ะรับขอบฟ้าขึ้นมาความมืดนั้นก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปจาก ความมืดของแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้ น, น, นเพราะอะไรแสงสว่างพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนดังปัญญาแสงสว่างแห่งพุทธศาสนาน้าไปสู่ความพ้นทุกได้เพราะฉะนั้นความมืดนั้นพระเจ้าเปรยเียบเทียบเหมือนดังอวิชชามีความรู้เรื่องของโรคของโรคทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความรู้ที่เขาเรียนกันมาแดงต่างกันมาเราก็มีความรู้กระดั้งปริญญาตีโทเอก สถาบันไหนๆก็ตามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามความรู้เรื่องของโลกเหล่านั้นก็เป็นความรู้ที่ใครๆก็สามารถทําได้คนที่สามารถเรียนแล้วเข้าไปเรียนแล้วก็สามารถทําได้ตอบได้ต่อปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้แต่ความรู้ของโลกถึงจะจบขนาดไหนก็ตามแต่ก็สู้ความรู้ของด้านจิตใจเหมือนดังพระพุทธเจ้าไม่ได้ความรู้ทางธรรมนั้นเมื่อเปรียบจะเหมือนดังผู้มีปัญญา ความรู้ทางโลกมันก็มีปัญญาแต่มีเป็น ญ, ญาเพียงแก่เวลานิดเดียวไม่เกินร้อยปีก็หายไปแล้วแต่ความรู้เรื่องของทางธรรมนี้ถึงแม้ว่าพุทเจ้าจะเสด็จดับขันธิปานแล้วนานถึงสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีก็ตามแต่คำสอนของพระเจ้ายังสถิตยอยู่ในหัวใจของบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเหมือนเราและท่านทั้งหลายท่านนั่งอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้ก็เหมือนกัน เราก็ได้อาศัยความรู้แห่งธรรมเนี่ยจึงทำให้เรามีจิตที่ตื่นรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักคุณรู้จากประโยชน์รู้จักสิ่งใดควรละสิ่งใดควรเว้นสิ่งใดควรกระทำเมื่อเรารู้แล้วเราก็ก็ะทำลงไปทั้งทางกายและ ว, วาจาใจเหมือนดังที่บุรุเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าด้วยอาการสามอย่างหนึ่งสรพพปาปะาากรนังการไม่ทาบาปบาปในที่นี้คือความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจ กายดีวาจาดีใจดีชีวิตของเราก็มีความสุขนั่นเมื่อละบาปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทําความดีให้ถึงพร้อมความดีเหล่านั้นก็คือความดีทางกายแล้ววาจาและใจเมื่อความดีถึงพร้อมแล้วกายเหมือนของเราพร้อมวาจาของเราพร้อมใจของเราพร้อมเหมือนที่เราและท่านทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลไปเมื่อสักครู่นี้ ก่อนที่เราจะสมาทานศีลเราก็ประกาศะระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันประกอบด้วยบริสุทธิคุณพระมหากุณาธิคุณพระปัญญาคุณนี่คือเราประกาศตนว่าชีวิตของเราทั้งกายและวาจาและใจของเราขอน้อมเอาพระพุทธหนอมเอาพระธรรมน้อมเอาพระสงฆ์มาเป็นตระที่พึ่งระครบนับถือของเราตลอดชีวิตคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสามารถ ไม่มีที่เพิ่งอื่นจะยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณค่าสามารถกําจัดภัยได้จริงเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นหนึ่งเดรัจฉานสองเปรตสามมรรกายสี่สัตว์นรกจะไม่เกิดขึ้นกับหัวใจของผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะอุบัติขึ้นทําให้จิตใจของเรานั้นมีความรู้สึกว่าเกิดมาเราโชคดีที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตนะ เป็นไตรสนาคมขอพระพุทธพรธรรมพระสงค์นั้นสอนให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะนั้นจิตของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคำสอนของพระเจ้าสามประการนี้นั่นข้อที่สามเอตังพุทธานศสาสนันติเมื่อเราข้อที่หนึ่งละชั่วข้อที่สองทำดีข้อที่สามทำจิตให้แจ่มใสและเบิกบาน 3, การทาจิตแจ่มใสและเบิกบานก็คือการที่ญาติโยมทั้งหลายกาลังนั่งทาจิตของเราอยู่ กำลังตั้งใจฟังอยู่เมื่อจิตของเราได้อยู่ในธรรมอยู่ในศีลอยู ian, ่ในธรรมใจของเราสงบจิตของเราสงบพอกายของเราสงบจิตของเราสงบกายก็อิ่มจิตก็อิ่มเมื่อกายอิ่มจิตอิ่มเราอยู่กับความสงบหูก็ฟังไปจิตก็ตามรู้ไปตัวรู้ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามรู้ไปเรื่อยๆสิ่งใดที่เราไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังสิ่งข้าวใจที่เราไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน สิ่งใดที่เราได้ยินแต่ไม่ชัดเจนเราก็ได้ยินชัดเจนขึ้นนะความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงในสิ่งที่ลังเลสงสัยว่าทำมีจริงหรือเปล่าเทวดามีจริงหรือเปล่ามรรคนี้พป็นจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็จะได้หายความสงสัยไปแต่กนะ็เรียกว่าจอทําความเห็นนี้ถูกต้องสี่ทำความเห็นจิตของเราเมื่อทําความเห็นนี้ถูกต้องแล้วห้าจิตของเราก็ผ่องใส จิตของเราเมื่อจิตมันผ่องใสแล้วความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่องใสหมดดังในที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามโนปุพังคมาธรมามโนเสถามโนมยามนัสสาเจประสันเนนะาสติวากรโรติวาตาโตนางสุขขมนเวติฉา ย, ยาวะอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จอยู่ที่ใจ ทำทั้งหลายนั่นก็คือทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจของพวกเราทุกท่านทุกคนอันประกอบด้วยธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาต์ไฟอากาศธาตวิญญาณธาติที่เราและนั่งทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้นั่นคือมีธรรมธรรมที่มันเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศธาตวิญญาณธาติธรรมทั้งหลายมีอะไรเป็นใหญ่ธรรมทั้งหลายในกายนี้มีอะไรเป็นใหญ่ก็มีหัวใจเป็นใหญ่มีจิตเป็นใหญ่จิตของเรานั้นเป็นจิตที่มันไวต่ออารมณ์มากๆ ถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้กายพัฒนามามีหรือจิตจะสามารถรับรู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วได้เพราะจิตนั้นย่อมสแสวงไปตามสภาวะตามความคิดตามความอ่านพระเจ้าจึงตรัสว่าความคิดความอ่านเหล่านั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เพราะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นจากความคิดความอ่านนั่นแหละแต่คิดไม่ถูกต้องอ่านไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์เกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่มีมันมีแต่คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ผลออกมาก็ไม่ดีเพื่อเจ้าจึงตัดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดต่เหตุตถาคตตัดเหตุเราทาเหล่านั้นและความดับแห่งทำเหล่านั้น เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นผลออกมาได้ผลที่มันทุกข์กายทุกข์ใจกันมาทุกด้วยความเดือดร้อนเป็นนี่เป็นสินมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากเหตุเหตุคืออะไรล่ะเหตุคือความคิดคิดแล้วปรุงปรุงแล้วแต่งแต่งแล้วก็แสวงหาในสิ่งเหล่านั้นได้มาชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างมันเหมาะสมบ้างมันไม่เหมาะสมบ้างมันถึงการเวลาบ้างหรือไม่ถึงการเวลาบ้างเราก็คิดคิดไปแล้วก็แสวงหาเหล่านั้นมาตามกระแสของโลกและในที่สุด สิ่งเหล่านั้นแหละจึงพาให้เรานะําามนั่งทุกข์นั่งเดือดร้อนอยู่เพราะขาดอะไรเพราะขาดความที่สติขาดปัญญาที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละจิตของเราเลืมมืดบอดอะไรไม่รู้อะไรต่างๆดีไม่ดีไม่รู้แต่นี่จิตของเรานั้นสามารถรู้ได้ก็เพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นแสงสว่างทําให้เรานั้นได้รู้ได้เห็น จิตของเราเป็นใหญ่จิตของเรานั้นจะทำไรก็จิตของเราก็มีขอบเขตจิตมีประกอบด้วยเหตุและผลเพราะเหตุและผลเหล่านั้นก็เกิดที่เรามีความรู้ขึ้นได้รับแสงสว่างเกิดขึ้นเหมือนพระจิตเกิดขึ้นในหัวใจของเราเหมือนแสงอาแสงธรรมเกิดขึ้นในหัวใจของเราแสงพระจิตเกิดขึ้นในโลกไปนี้โลกไปนี้ก็มีแต่แสงสว่างความมืดหายไปเมื่อแสงอาแสงธรรมบังเกิดขึ้นในหัวใจของเราความโง่ความเขลาความ อวิชาความไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวงก็หายไปเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นเมื่อจิตของเรามีธรรมเข้ามาแทนที่เมื่อธรรมแทนที่ความสว่างเข้าแทนที่ความมืดก็หายไปนั้นจิตของเรามีธรรมมาแทนที่คือคื อ, ค, อความลำบากยากเข็ญความทุกข์ความเลือละเลอนก็หายไปไม่สงสัยไม่สงสัยในคำสอนของพระเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าให้ละชั่วนั้นละทาไม คนเหล่านั้นจะกวาดบ้านจะถูบ้านให้สะอาดมันต้องกวาดให้สะอาดก่อนแล้วก็ถกูเมื่อถูเสร็จแล้วมันก็สะอาดทั้งปืนทั้งปุ่นมันก็ไม่มีถ้าเราถูไปกับคณะทั้งฝุ่นมันก็ยังถูเสร็จเรียบร้อยปับ๊บฝุ่นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพราะมันไม่ได้ขูดกวาดออกไปชั้นใดก็ตามพระพุทธเจ้าจึงทรงกัดว่าก่อนที่เราจะทําความดีนั้นเราต้องละชั่วก่อนเมื่อเราละชั่วแล้วเราก็ทําความดีเมื่อเราทําความดีเราทําจิตให้แจ่มใสและเบิกบานสามประการนี้อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องตรงนี้ อาตมาคารับรองได้ถ้าหัวใจของเราไม่คิดจะมาไม่คิดจะละความชั่วลมโยมไมไ่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกถ้าโยมไม่คิดจะทำความดีโยมก็ไมไ่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกถ้าจิตของโยมจะผ่องใสได้ ก็เมื่อโยมนั่งแล้วยมละชั่วแล้วยมทำดีแล้วโยมทำจิตให้แจ่มใสและเบิกบานยมก็เลยทำจิตของโยมให้สงบกับการฟังเพราะนั้นอานิสงส์แห่งการฟังก็จึงทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเมื่อเราทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นมันไวมากมันปรุงมันแต่งไปตามนั้นถ้าความปรุงแต่งของเราไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่มาที่ไปเหมือนคนโง่ คนโง่คนไม่มีสติปัญญาไปสร้างบ้านก็สร้างไม่สาเร็จจะททำอะไรเขาทำไม่สาเร็จมันคิดมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้เพราะความคิดการกระทำเนาต้องสมบูรณ์แบบความคิดก็ต้องสมบูรณ์การกระทำก็ต้องสมบูรณ์มันจึงจะออกมาเป็นผลที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพิม์ไม่ดีความพิม์ไม่ดีของที่กดจงพิมออกมาพิมตรงนั้นก็ไม่ดีไปตามพิมถ้าพิมมันสมบูรณ์ ของที่ออกมาก็สมบูรณ์เพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนบริษัทนาธรกรรมนาค ม, ม, มหรือทีไออทีโอทีเนี่ยรวมกันเข้าและเราและท่านทั้งหลายได้ถือปฏิบัติกันมาช้านานมากอาตมาก็มาหลายหลายครั้งที่ทําขึ้นมาเพราะทุกคนให้ความสําคัญและสําคัญมากที่สุดก็คือผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีมาทํากิจกรรมในเรื่องของพุทธศาสนาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละอตาตมาว่าเป็นอัจฉริยะ ของความคิดของผู้บริหารของผู้บริหารทุกระดับที่ให้โอกาสเพราะถ้าสร้างคนออกมาให้มีคุณค่าแล้วเมื่อคุณค่าของคนเราไม่สามารถที่จะให้คุณค่าได้เราเพียงแค่รับพนักงานเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบอะไรต่างๆถูกต้องทั้งหมดแต่เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบหัวใจของพนักงานทุกคนได้แต่เมื่อหัวใจของพนักงานทุกๆคนเมื่อได้รับเข้ามาแล้วได้มีความส่งเสริม ในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมไม่เกิดขึ้นกับหัวใจของพนัก ง, งานทุกๆคนงานนั้นก็ออกมาด้วยความปราณีตความกินแรงความเอาเปรียบความเตะลูกทวงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็จะไม่มีพอทุกคนกลัวบาปทุกคนกลัวกรรมดัะนั้นทุกคนเลยมีความตั้งใจทำงานให้ดี เพราะฉะนั้นเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมต้องมีอยู่ในหัวใจของคนแล้วจึงจะสามารถส่งผลไปถึงการงานออกมาก็ปราณีตงานออกมาก็มีประสิทธิภาพเราเสียเวลาเสียสเวลาไม่นานเท่าไหร่ให้โอกาสไม่นานเท่าไหร่เสียค่าใช้ก่ายไม่มากนักแต่เราได้คุณภาพของคนมากมายคนมีศีลมีธรรมก็ไม่ไปทําบาปกรรมกรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นถามว่ามาจากไหนก็มาจาก บริษัทผู้บริหารให้โอกาสเอาคนดีก็มาเหมือนพรธเจ้าเดินเบยแย่พุทธศาสนาด้วยความยากลำบากแต่ละแฟนแต่ละแฟนด้วยความยากลำบากต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิดแต่พรธเจ้าไม่เคยเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพราะว่าถาตราบใดคำเทศของพระองค์เมื่อประกาศออกไปแล้วพระองค์เหนื่อยก็จริงอยู่แต่ดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดขึ้นกับเป็นแผ่นดินนั้นๆทําให้เขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันเขาเคยลบลาฆ่าฟันกันเขาเคยทําสงครามกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายทั้งปวงต้องพลัดพรากจากครอบครัวต้องพลัพรากจากอาจารย์หรือครูบาอาจารย์กันทุกสิ่งทุกอย่าง หน้าที่การงานก็ต้องรัดผ้ากันสัตว์จริยธรตายเท่าไหรอะไรต่างเท่าไหร่ไม่รู้บาปเขาไม่เคยรู้แต่เขารู้อย่างเดียวคือถ้ากราบใดถ้าเขาชนะเมื่อเขาชนะเขามาจบรองใจชนะกันยังมีความสุขนะยังมีความสุขเฮเฮฮาหกินเหล้าเมายากันสุขสบายแต่อีกมุมหนึ่งที่ยากของพี่น้องของเขาต้องโหมหมายตายจากไปไฟก็เผาไหม้ไปเผาไหม้ไปเผาไหม้ไปเป็นเดือนบางทียังเผาไม่หมด ที่คนที่ตายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เรชาชันช้างนาง ง, างัวควายทั้งหลายทั้งปวงก็สูญหายไปมากม า, กายไกลกองบ้านช่องหองหับก็พังบินาศเผากันแหลกลานไปหมดนั่นคือความวอดวายที่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่ชัยชนะให้เราได้คิดดูพระพุทธเจ้าคงทรงสแสดงธรรมไม่เห็นวาน่าเหมือนอย่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารทศลบก็ชัยชนะสุดโทตนะก็มีชัยชนะ แต่สิทธิศรัทธาราชกุมนนารขณะนั้นเป็นยังเป็นหนุ่มอยู่พระสุโธจนะก็ให้ออกไปอยู่กับสงครามให้ไปดูเพื่อให้รับรู้งั้นพระสิทธิศรัทธาราชกุมารไม่ได้ลบตะข่ายแต่มองดูด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวมากๆเสียงร้องโอดควรวนทางช้างมางวงไกวทั้งหมดร้องโอดควรวนไฟก็เกื้อหืมเสียงดับฟันกันนั่นมายเสียงร้องโอดควรวนด้วยความเจ็บปวด หลังจากนั้นแต่เรียบร้อยสุดโทนะก็มาฉลองชัยชนะที่เมืองกรุงกงบิลพัท ส, ส่วนพระเจ้าพิมพิสารก็ไปฉลองชัยชนะที่เมืองพระณสีสิทธัตถาราชกุมารกลับมาถึงมาบับเห็นทุกคนก็นั่นหัะวะเลาะกันสนุกสนานด้วยความร่าเริงแต่สิทธัตถาราชกุมารขณะที่ขากลับมาหรือเข้าไปในป่าไปเห็นเขากําลังเผาศพกันเห็นเขาร้องไห้ น้ำตาไหลไฟก็ไม่ฟันก็คุกรุ่นเลยนะสิทธิษฐราชกุมารเกิดความวิสังเวชด้วยความเมตตาพระองค์จึงได้ขออนุญาตสุดโทตนะเสด็จไปยังแว่นแห ว, วนของเมืองพระเจ้าพิมีนิสารเพราะว่าพระเจ้าพิมีิสารนั้นเคยได้ยินได้ฟังคำพูดของสิทธิษฐราชกุมารการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตย่อมเป็นบาปเป็นกรรมย่อมมีความเดือดร้อนเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ไป เพื่อจะอยาสึกโดยไม่ต้องเสียมา้าสักตัวเสียคนชีวิตสักคนหนึ่งไม่ต้องสูญเสียอะไรทั้งสิ้นก็โปร่งก็ไปไปเห็นพระเจ้าบิปิสารครองราชอยู่ยังมีความสุขเพราะได้ความชัยชนะทำสงคารามมาไม่นานเท่าไหร่ิท ธ, ธิฐาราชกุมารจึงเอ่ยปากถามว่าดูก่อนมหาบพิษมหาบพิษมีความสุขมากกับความชัยชนะทาสงคาราม มหาพอพิษเคยออกไปดูมั่งหรือเปล่าว่าประชาชนทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเสียชีวิตเขามีความรู้สึกเป็นอย่างไรอยากจะเป็นใหญ่อยากจะมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ขณะเดียวกันไปทำลายคนอื่นเขาพังพินาศย่อยยับทั้งมนุษย์สังกัดเดชาดนั่นหรือความชัยชนะนั่นหรือความยิ่งใหญ่ ชัยชนะจากความเดือดร้อนของคนอื่นชัยชนะที่มันดีจริงๆมันไม่ต้องไปเสย อ, อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นมหาบาพิษลองพิจารณาดูมหาบาพิษมีความสุขดีมากหรือลูกของมหาบาพิษก็มีอยู่ถ้าเกิดพวกของมหาบาพิษตรงสูนเสียไปถูกเขาฆ่าตายไปมหาบาพิษมีความรู้สึกยังไง นั่นบริวารของมหาวิธถ้าใครเขามาฆ่าอย่ามหาพิธจะมีความรู้สึกเป็นยังไงถ้าเป็นคนครอบครัวมหาพิธจะมีความรู้สึกเป็นยังไงให้มหาพิธจงพิจารณาดูมหาพิธมีความสุขกับความพังพินาศของคนอื่นเขาความร้องไห้จากน้ําตาที่เขาไหลเขาต้องสูญเสียญาติพี่น้องก็ไปภรยาสูญเสียสามีสา ม, สามีสูญเสียภรยาหนาพ่อแม่สูญเสียลูกมหาพิธคิดบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเอง คำพูดของติฏฐารัชกุมารทําให้พระเจ้าพิมพิสารคิดได้เพราะนั่นคือความคิดที่พระเจ้าพิมพิสารเคยสร้างบารมีมาในด้านพุทธศาสนามาในอดีตนั้นจึงมีสถิตอยู่ในหัวใจจึงทําให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นจึงก็หยุดหยุดก็อึดูก่อนเราก็เกิดมาก็ยิ่งใหญ่มามากมายมีแตคนยกย่องสนรเสริญเราไม่เคยตําหนิเราเลยแต่นี่ท่านเป็นมนุษย์น้อยถึ่งเป็นสหาย ของเราที่เป็นบุตรของสหายของเราที่เคยลบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาแต่มาพูดให้เราคาพูดของท่านทำให้เรามีความรู้สึกละอายใจมากเราเห็นตามที่คำพูดของท่านเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทำสงครามกับใครอีกเราจะประกาศสถานที่ของเราที่เมืองของเราบริเวณของเรานี้ให้เป็นที่อพัยทาน พระองค์จึงได้ประกาศป่าอิสิปัตนมรุกะทยวันแขวนเมืองพระนรศนั้นเป็นป่าที่อภัยทาน สถานที่บริเวณของเราไอตีอตันใดก็ตามห้ามไปยิงฆ่าราสัตว์ในสถานที่เหล่านี้ยังเด็ดขาดทุกคนพระเจ้าพิมสารเป็นผู้ยิ่งใหญ่เมื่อประกาศเป็นสถานที่ไป ย, ยทานเหล่านั้นก็ไม่มีใครไปล่าสัตว์สัตว์ก็มากมายกายกองเกิดขึ้นใ น, นสถานที่นั้นแม้กระทั่งพวกฤาษีชีไปก็ยังไปอาศัยสถานที่นั้นบําเพ็ญบดญบำเพ็ญความปภาความเพียรเพราะได้รับความเป็นธรรมชาติไม่มีอันตรายไปป่าอื่นเดี๋ยวเขายิงถูกลูกศรหลงหล ง, ลงมาบ้างอนะไรต่างมา นี่แหละมันเป็นเหตุแล้วในที่สุดเมื่อได้ทำขึ้นประกาศงั้นจิตใจของพระเจ้ามิปีสารไปในป่าไปเห็นถิ่งสาลาตัดกวางต่างชนิดนาน า, นานชนิดก็เข้าอาอาัาอายอศาศัยอยู่ในป่านั้นเพราะรู้ว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยแล้วพระองค์กลับมาพระองค์ก็มาเห็นว่าโอ้คำสอนของสิทธิราชกุ ม, มารต่อมาภายหลังเป็นคาสอนรู้ว่าพระเจ้า พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาแล้วได้ตัดสู้แล้วพระองค์จึงได้ไปอาราธนาเข้ามาสู่เมืองนะนาพรานสีนาะกรุงรัชคฤิ์ให้สเสด็จเข้ามาเพื่อฉันอาหารเมื่อฉันอาหารได้แล้วก็สแสดงธรรมโปรดบริวารทั้งหมดหนึ่งแสนสองหมื่นคนก็เรียกว่าสิบสองส่วนพอพุทธเจ้าสแสดงธรรมจบลงเท่านั้นสิบหนึ่งถึงสิบเ็ดส่วน ได้บรรลุมรควุนิพพานบ้างโสดาบันบ้างสกิทาคารบ้างอนาคาบ้างจนถึงพระอรหันต์นะและอีกส่วนหนึ่งก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือน้อมพระพุทธประธรรมประสง์เป็นไตสรสนาคมที่พึ่งและทะลบนับถือเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่นั่งฟังอยู่ที่นี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ได้ยินได้ฟังมาทำมาแล้วใจของเราจึงมุ่งมั่นตั้งมั่นอยู่ในสถานที่แบบนี้ ได้มาทําบุญใสบาตโยมก็มีความสุขแบบหนึ่งโยมได้ยินได้ฟังธรรมโยมก็มีความสุขแบบหนึ่งขณะที่โยมได้ตั้งใจฟังอยู่จิตของโยมโยมสงบไม่ได้คิดไปไหนมาอะไรต่างๆอารมณ์ทั้งหลายภายนอกไม่สามารถจะมาดึงหัวใจของญาติโยมออกเพราะใจของโลมนั้นมีความผูกพันอยู่กับธรรมะธรรมะเหล่านี้ก็ทําให้สถิตอยู่ในหัวใจของพระเจ้าวิมพิสารพระเจ้าวิมิสารจึงมีดวงตายให้ทำจึงได้ ถึงไตสนาคมข อ, อน้องพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสณะที่พึ่งเคารพนับถือตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วในที่สุดความศรัทธาก็เกิดขึ้นทำให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้สร้างวัดเวรุวันมหาวิหารถวายพระเจ้าเป็นวัดแรกพระเจ้าก็อยู่จำบรรษาที่นั้นนี่คือผู้ฉลาดบัณฑิตเกิดขึ้นที่ไหนก็ตาม คบคนพาลพาไปหาพาดพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพระเจ้าพิพิสาครคบกับพุทธเจ้ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขบริวารก็ร่มเย็นเป็นสุขเคยที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างต่างก็หยุดฆ่ากันหมดนะส่วนใหญ่ก็หยุดฆ่ากันหมดมีแต่เล็กๆน้อยน้อยเพราะทุกคนกลัวบาปนี่แหละจึงได้เรียกว่าิบสองส่วนนั้นถึงดวงตาเห็นธรรมกันทั้งหมด เราและท่านทั้งหลายดวงตาเห็นทำได้บังเกิดขึ้นกับหัวใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะการได้ยินได้ฟังทำมาเพราะฉนั้นเราทุกท่านเราทุกคนขอให้เราจึงตั้งใจให้ฟังให้ดีตอนนีไปขอให้เราทําจิตใจของเราให้สบายๆทํากายของเราให้สบายๆให้ว่างเปล่าจากอารมณ์พราะจิตนั้นเป็นสิ่งที่ไวต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมากเพราะน้ําทะเลกว้างใหญ่ไปสารสิ่งที่ทุกคนกลัวกันมากที่สุดก็คือลูกคลื่นที่เกิดจาก ทะเลถามว่าลูกคลื่นน่ากลัวไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกลูกคลื่นนั้นไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือลมถ้าไม่มีลมทะเลน้ําในทะเลก็เงียบสงบไม่มีคลื่นเรือเล็กเรือน้อยเรือใหญ่ก็เดินทางโดยไม่มีอุปสรรคคนอยู่ในเรือก็ไม่เมาอะไรต่างการเมาคลื่นเมาลมไม่มีเดินทางแบบสบาย แต่ตราบใดถ้ามีลมขึ้นมาคลื่นก็เกิดถามว่าคลื่นเกิดมาจากอะไรขึ้นมาจากลมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือลมถ้าลมมาแรงมากเท่าไหร่ก็น่ากลัวจิตของเราทั้งหลายทั้งปวงที่โมโหโทโสที่ไวต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าจิตของเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วไซอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะทาให้จิตของเรานั้นวันไหวเร่าร้อน แล้วไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักอะไรคืออะไรถ้าอารมณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์เหล่านั้นก็คือความโลภหนึ่งโลภโทสะโมหะนี่กิเลสตัวใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพายุก็ตามพายุน้อยพายุใหญ่ก็ทําให้ทะเลนั้นมีขึ้นทะเลนั้นไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือลมเพราะนั้นจิตของเราไม่น่ากลัวที่จิตของเราไม่น่ากลัวเพราะอะไรถ้าจิตของเราฝึกมาดีแล้ว จิตที่มันน่ากลัวคือจิตที่ไม่ได้ฝึกเราก็จะกลายเป็นทาตของอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์มันอารมณ์แท้ๆแล้วอารมณ์มันไม่ได้อยู่เฉยที่ที่เดียวเดี๋ยวแปรไปโน่นเดี๋ยวแปรไปนี่นัน่ น, น, นเรียกว่าจิตตวิญญาณจิตตวิญญาณถ้าจิตตวิญญาณของเรนั้นมันแล่นไปหาสิ่งที่มันควรแสวงหาเช่นหาสถานที่เป็นบุญเป็นกุศลทําแล้วมองแล้วคิดแล้วน่บําเพ็ญแล้วทําให้จิตเรามีความสุข นั่นก็เรียกว่าจิตมันไวต่อรมอย่างนี้พอได้ยินเสียงอัดเสียงทำเกิดขึ้นจิตก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมกับนาโอไปนีโกก็มาน้อมเ า, ม า, อมมาทําเหล่านั้นมาสู่ใจของเราถ้าหัวใจของเรามันมีธรรมอยู่จิตของเราก็จะเริ่มสงบขึ้นสงบขึ้นสิ่งใดที่ผิดเราก็ยกเว้นสิ่งใดที่ถูกเราก็จเจริญขึ้นนี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิที่บาศีคุณเครื่องแห่งความสําเร็จซึ่งไม่เหลือวิสัยพุทธเจ้าของเราก็มีอิทธิบาศี พระรหันต์ก็มีอิทธิบาท4ีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็มีอิทธิบาทสีพระรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นก็มีอิทธิบาท4ีอิทธิบาทสีคุณเครื่องแห่งความสําเร็จซึ่งไม่เหลือวิสัยแม้แต่สถาญาติโยมทั้งหลาย มีหัวใจเหมือนกันมีสติเหมือนกันมีจิตเหมือนกันมีธรรมเหมือนกันมีหรือเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนจะประพฤติแล้วจะไม่ได้มักไม่ได้ผลไม่ได้มีานไม่มีดวงจิตคือคือดวงจิตเหมือนกันจะอยู่ในเพศของนักบวชจะอยู่ในเพศของคารวาสถ้าเราสามารถทําได้แต่เพศนักบวชนั้นก็จะสามารถทําได้ไวขึ้นเพราะตัดภาร ะ, ระเรื่องของครอบครัวเรื่องของหน้าที่การงานออกไปมีแต่เปลียงแก่การประพฤติธปฏิบัติอย่างเดียวแตส่ส่วน คาวาะวิสัยย่อมมีภาร ะ, ระมีหน้าที่มีการงานมีครอบครัวมากมายให่กองจึงจะสามารถจะทําอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นจะกระทบกระเตือนเรื่องในเรื่องของครอบครัวบ้างแรงต่าง ๆ, ๆบ้างแต่ถ้าทุกคนมีทำอยู่ในหัวใจเหมือนกันเราและท่านทั้งหลายเหมือนบริษัทของเราทุกท่านทุกคนโทรค ม, มนาคมและทีโอทเนี่ยรวมกันเข้า ที่ส่งเสริมพัฒนาจิตใจของพนัก ง, งานทุกท้านทุกคนได้มีโอกาสได้ทำบุญทาทานกันได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมกันได้มีโอกาสมารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันเมื่อดวงจิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมสี่ประการนะคือคือคุณธรรมก็คือให้เราละชั่วให้ทำดีทำจิตให้แจ่มใสและเบิกบานทำกายของเราให้แจ่มใส และอิ่มเอิบและเบิกบานด้วยการทําความดีทั้งทางกายวาจาและใจนี่แหละคือสติปัฏฐานสี่สติเข้าไปพิจารณาดูกายของเรานั้นเป็นของไม่แน่นอนะเราพิจารณาดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปน่านกายเวทนาเวทนาสุขทั้งหลายทุกคนก็ปรารถนาความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและครอบครัวและพะนัก ง, งานทุกท่านทุกคนแต่ความสุขเหล่านั้นก็ไม่ของที่ไม่แน่นอ น, นมันเนไม่แน่นอนเพราะความสุขมันก็เป็นอนิจจัง ความทุกข์มันก็เป็นนิจจังความไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นนิจจังทำทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับใจของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่ใช่ว่ามันมีทำตลอดเพราะบางทีสติของเราอารมณ์ของเราไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกที่มันรุนแรงกว่า จิตของเราก็เลยไปตกกลุ่มกับอารมณ์ของความรู้ความโกรธเกิดขึ้นทำที่มันมีอยู่ที่มันน้อยมากมันก็สู้กิเลสที่มันรุนแรงมากกว่าไม่ได้ที่โบราณเขาว่าน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟฉั้นใดก็ตามบุญกุศลที่เราสะสมมามันน้อยทั่วอารมณภายนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดให้เราไม่ประมาทให้จิตของเราตั้งมั่นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกท่านทุกคนอยู่เนี่ย อารมณ์เหล่านั้นเราก็มองดูอารมณ์เหล่านั้นว่าเสียงคือเสียงกลิ่นคือกลิ่นรสคือรสเราจะเอาจิตของเราไปจับอยู่กับเสียงเหล่านั้นดีไม่ดีแรงต่างไปหลงกับเสียงไปหลงกับกลิ่นไปหลงกับรสไปหลงกับตามสัมผัส ถ้าจะไม่มีสติปัญญาพอเราก็พังที่นาศแต่ถ้าเรามีสติปัญญาพอเหมือนพระอาริยสงฆ์พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าของเราจึงละทิ้งสมบัติทั้งหลายทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีอะไรติดไปเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งเครื่องทรงหรือเพชรนินจินดาอุปกรณ์การตกแต่งร่างกายของพระองค์ก็เมื่อองค์อธิษฐานบวชแล้วพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านั้นให้ชนะเอากลับ ไปคืนพระบิดาไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นบ่งบอกไว้ว่าสมบัติทั้งหลายต้องปวงที่โลกก็ว่ามีคุณค่ามีคุณค่าแต่สําหรับนักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือพวกเราะท่านทั้งหลายผู้มีธรรมนั้นจะไม่เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้มากไปกว่าคุณค่าของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนไม่ควรประมาทการที่ภาวนาเราภาวนามีสองอย่างที่เราควรจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของเราเพื่อกําจัด จิตของเรานั้นไม่ไปไหนจิตดวงนี้จิตดวงนี้ทุกท่านทุกคนมีเหมือนกันอาตมาก็มีพระสารททั้งหลายทั้งมวงก็มีพุทธเจ้าก็มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตดวงนี้หลงก็เกิดขึ้นตรงนี้รู้ก็เกิดขึ้นตรงนี้ฉลาดโง่ก็อยู่ที่ดวงจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามดีเลิศประเสริฐเลิศล้ําก็จิตดวงนี้เลวทามขนาดไหนก็จิตดวงนี้เพราะจิตดวงนี้แหละถ้าเราจะสามารถ แก้ไขปัญหาของจิตของเราเราควรจะทํำยังไงเราควรจะเกาตรงไหนให้ใหมันหายคันมันคันตรงไหนก็เกามาตรงนั้นมันจิตมันมีเกิดขึ้นตรงนี้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นโจกตรงนี้เราก็เอาจิตของเราตรงนี้น้อมเอาทํำคำสอนของพเจ้ามาพิจารณาตามว่าสมบัติทั้งหลายทั้งปวงมีอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบของโลกที่ร่ํารวยอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบของประเทศไทยที่ร่ํารวยและในชีวิตในโลกใบนี้ มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในยุค ข, ของพระสมณะโคดมไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วเราและท่านทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วสมบัติเหล่านั้นตกเป็นของใครลนะ่ะลูกหลานเอาไปให้เราได้ไหมไปใช้ในบางาๆหน้าได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดแต่จิตดวงนั้นมีแต่ความร่ํารวยมีแต่เงินมีทองแต่ไม่มีบุญไม่ได้เคยทําบุญทําทานไว้เมื่อตายไปแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่าสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้มีแต่ความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคน เราไม่ควรประมาทเราไม่ควรมองข้ามเรื่องของบุญถ้าไม่ดีจริงหลวงปู่มั่นไม่ได้ยกย่องถูกยกย่องเมื่อสองสามปีที่แล้วว่าเป็นบุคคลสาคัญของโลกจากมูนิทิมูนิธิยนธูนิตโกะดาสองร้อยกว่าสอง้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศสามร้อยกว่าประเทศที่หรือสี่ร้อยประเทศที่ลงมติแล้วสองร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศยกย่องว่าให้หลวงปู่มัน่นภู้ริษัทมหาเจรละ พระรูปหนึ่งมีอายุมากแล้วไม่มีอะไรเลยมีจีวรสามผืนเท่านั้นเองกับอาถรริขานที่ใช้อยู่ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกไม่มีสมบัติไม่มีความรู้อื่นใดนอกโลกที่โลกเขาบอกว่าเป็นความรู้เป็นปัญญาแต่ลุงปุ่มั่นมีความรู้มีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เข้าใจในเรื่องของธรรมเข้าใจในเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นถามว่าเขาลุงปุ่มั่นใดครับการยกย่องจากมูนิิยูเนสโกนั้นนะ่ะ เรื่องอะไรความดีอะไรจรึงได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกเป็นบุคคลสําคัญของโลกในสภาวะฐานะอะไรฐานะความดีอะไรฐานะความดีคําสอนของหลวงปู่มั่นทําให้โลกล่มเย็นโยฟังดูสิคําสอนของหลวงปู่มั่นทําให้โลกล่มเย็นมันเย็นยังไงอ่ะเพราะหลวงปู่มั่นก็สอนให้เรากลัวบาปละชั่วทําดีทาจิตให้แจ่มใสแล้วให้จิตตั้งมั่นอยู่ในการทําสมาธิภาวนาไม่มีสมบัติเลยเราก็ไม่มีสมบัติ ออกจากนอกตระกูลมาทั้งหมดไม่มีอะไรมีบาทลูกนึงผ้าสามผืนเท่านั้นเองแต่เรามีความสุขมากทําไมล่ะถึงเราไม่รวยแต่เราก็มีความสุขเราไม่ไม่มีสมบัติอื่นใดแต่จิตใจของเราก็ประเสริฐเราก็มีลูกสิทธิ์มากมายพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะอะไรล่ะเพราะความเป็นผู้มักน้อยสันโดษนั่นสมถะเป็นผู้มักน้อยสันโดษคาว่าสมถะไม่มีอะไรเลยมีแต่ของที่มีอยู่ก็พอใจในของที่มีอยู่แต่ก็มีความสุข เศรษฐีมหาเศรษฐีล่ํารวยกันมากมายกายกองอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบของประเทศไทยตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้ ว, ต า, ลวตายอีกตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยบ้างกรุ ง, งศรีอยุธยาบ้างลพบุรีบ้างมาถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตายไปเท่าไหร่แล้วถามว่าท่านเหล่านั้นมีใครบ้างอ่ะที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มี มีแต่สมบัติตายแล้วสมบัติก็เราก็ต้องจากกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านพระเจ้าจึงยกย่องว่าบุคคลที่มีสมบัติภายนอกถึงจะมีมากกองเท่าภูเขาเรากาเขาปะจุมเม็ก็ตามสู้สมบัติภายในเจ็ดข้อก็ไม่ได้ศีล ส, สมาธิและปัญญานั่นสติสมาธิและปัญญานี่แหละจือจะสามารถทําให้เรามีความสุขได้ทําให้เราอิ่มเอิบเบิกบานได้ตายแล้วเราก็ไปสู่ในที่สูงได้แต่บุคคลไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อน ตายแล้วตายแล้วก็คือไปตามเบญตามกรรมของเราเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนให้เราได้มีความเข้าใจว่าอธมัด ขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนในเรื่องของความดีที่เราและท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าของธรรมเห็นคุณค่าของทานเห็นคุณค่าของศีลเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาอาตมาก็เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละก็เป็นผู้ที่สร้างบารมีมาโยมก็สร้างมาอาตมาก็สร้างมาสร้างมาตรงที่ว่าจิตของอาตมานั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วเราพอใจกับการบวช เราศรัทธาในการบวชเราอยู่มีความสุขกับการบวชการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจึงได้สแสวงหาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาตมาชอบมากที่สุดก็คือระหว่างโครงการพระป่าช่วยชาติอาตมาก็ทำหน้าที่ของความเต็มที่เข้ามาเขาก็กล่าวหาว่าเราเป็นคนหัวแขงเป็นคนว่ายากสอนอยากนะเรา ปุกระดมให้พระหรือไม่ได้บอกว่าปุกระดมเราเชิญชวนพระสงฆ์ออกมาเพื่อรักษาพระธรรมมินัยไว้ไม่ให้ใครมาทำลายการปกป้องตัวเราเองกัางปกป้องพุทธศาสนาปกป้องไม่ให้คนทำบาป ท, ท, ทำกรรมเราผิดหรือ เราผิดหรือในความเป็นสมณะเพศของเราเนี่ยเราผิดหรือเราไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครเราไม่ได้ไปสายร้ายไปสีใครแต่เราพูดในสิ่งที่พุทธเจ้าเคยพูดไว้กับพระเทวทัตว่าเทวทัตยอย่าทําอย่างนี้เลยนั่นเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเป็นอนันตเรียกรรมถ้าเธอจะไปทําแล้วเธอจะได้ไม่มีทางที่นั่นได้เลยเธอจะไม่มีสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เธอจะไปสู่อบายภูมิที่เดียวที่เธอควรไปนี่เราก็ปกป้องเช่นนี้เราจึงได้ไม่กลัวอะไรใครใครก็จะ มาตัดลอนเราหรือจะมาว่าเราจะมาปลดเราอะไรต่างจะมาทำร้ายเราหรือจะมาสั่งเราก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งเราปลดจากเจ้าวาดเชิญเลยเชิญปลดเราจากเจ้าวาดเชิญได้เลยเพราะเราไม่ได้บวชมาเป็นเจ้าวาดเราบวชมาเพื่อเราทำคำสอนเพื่อเจ้าเราบวชมาเพื่อพุทธเจ้าเราไม่ได้บวชมาเพื่อตำแหน่งเจ้าวาดหรือเจ้าฟ้าเจ้ากุลอะไรต่างๆเราไม่เอาเพราะอะไรล่ะเพราะใจของเรามันมีสิ่งที่เราได้มาเราพอแล้ว เราพอแล้วในสิ 1941, ่งที Kel ่เราเป็นอยู่นี้สิน227ข้อเราพอแล้วกับข้อวัดปฏิบัติที่เราพอใจเพราะเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วใจของเราเบาสบายใจของเราจิตของเราเบาสบายญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันอาจมาก็เชื่อมั่นมากญาติโยมทั้งหลายก็มีจิตใจที่สบายมีใจที่ผูกพันจึงรวมตัวกันเป็นชมรมพุทธในบริษัทโทรคมนาคมหรือทีโอีแห่งนี้ เพราะมีชมรมพุทธชมรมพุทธนั่นแหละสร้างสร้างตนสร้างวัยใจสร้างจิตให้ความเป็นคนให้ความเป็นมนุษย์ชาติที่ประเสริฐเลิศล้ำได้มากที่สุดถึงยี่สิกว่าปีที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเหมือนพระเจ้าใช้เวลาสี่สิบห้าปันศาสร้างมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงปลดแอกทั้งหลายทั้งปวงให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ผิดก็เรียกว่าอุบัติขึ้นมาเพื่อหรือถอนขนสัตว์ เราและท่านทั้งหลายทุกขัน้นทุกคนไม่ได้ชมแต่เห็นเหตุทายผลได้นี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งนี่แหละประพุทธประธรรมประสงค์ล่ะถ้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขการสร้างบาปสร้างกรรมการเป็นคนเกียจคา้านการเป็นคนเอาเปรียบการกินแรงเขาการกินเวลาของคนอื่นเขาจะไม่มีในหัวใจของบุคคลที่อยู่ในชมรมพุทธเพราะอะไรล่ะเพราะอยู่ชมรมพุทธเพราะทุกคนกลัวบาปกลัวกรรม ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้ความเดือดร้อนการกระทําเหล่าใดที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเราเองและคนอื่นได้รับความเดือดร้อนการกระทําเหล่านั้นแหละเป็นคําสอนของเราตถาคตเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนการที่เรามีจิตมีใจตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีสร้างความดีบําเพ็ญความดีเป็นสิ่งที่ประเสรเิฐเลิ่ลนลำเพรา ะ, ะนั้นจิตของเหล่านั้นนะ่ะเป็นจิตที่ว่องไวต่ออารมณ์แต่เราจะทํายังไงถึงจะแก้จิต ของเหล่านั้นให้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์แปดสมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาสมาธิประกอบด้วยความสงบสมัยก่อนพุทธเจ้าจูบัตขึ้นมาชาวอินเดียนั้นนั่งภาวนาอายุเป็นร้อย้อยปีนั่งภาวนาห่อเอือนเดินอากาศได้หายตัวได้ห่อเอือนเดินอากาศได้นะเสร็จเรียบร้อยรู้จิตรู้ใจของคนนั้นคนนี้ทำอย่างนู้นทำอย่านงนี้ได้แก้โลกีเะชานสีพทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ถาวร วันใดวันหนึ่งถ้าจิตมันถูกกิเลสเาผาผลาญก้าเข้าไอชาญสีทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้มันก็จะหายไปได้เพราะว่ามันเป็นโลกิยชาญไม่ใช่โลกุตระชาญถ้าโรกุตระชาญต้องชาญต้องเพิ่มไปอีกห้าถึงไปถึงสิบนู่นะ ชาหนึ่งถึงสิบพอไปถึงเสติดไปปั๊บมันจะเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นการห่อเหินเนื้อลกาศได้ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษไม่ใช่เป็นคณาจารย์ใหญ่เป็นคณาจารย์ใหญ่ก็คือต้องจิตของเรานั้นต้องมีความใสสะอาดบริสุทธิ์โดยความไม่ยึดติดอะไรทั้งสิน้นตาตาบใดยังแข่งกันยังอดอาหารแข่งกันอะไรต่างๆแข่งกันเพื่อนําไปสู่ความวนทุกข์ก็ตายเปล่าทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติขึ้นมาเพื่อลือถอนขนสัตว์ เพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายเรามีดวงตาดวงตาสองข้างของเรานั้นจับสุนั้นน่ะมองเห็นภายนอกที่เป็นรูปสวยบ้างไม่สวยบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่งามบ้างไม่งามบ้างแต่เรามองรูปเหล่านั้นด้วยใช้สติ ป, ปัญญ า, าว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันรูปตามไปกระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นรูปงามก็ตามรูปไม่งามก็ตามหรือรู ป, ปรเบื้องขาวางเฉยเฉยก็ตามถ้จาจิตนั้นไม่ยึดติดมองดูรูปเหล่านั้นให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมด สวยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สวยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลางกลางคืออภิยากิจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเสียงได้ยินก็เหมือนกันที่สัมผัสก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกายก็ตามเวทนาจิตธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงบอกว่าธาตุขันของเราอันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นกายกับใจในกายกับใจนั้นน่ะ ที่เรียกว่าขันธ์ห้าเราก็มีขันธ์หน้ากันทุกคนขันธ์หคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีกันหมดทุกคนอาตมาก็มีพระอราันทั้งหลายทั้งปวงก็มีที่เป็นพระอรหันได้ก็คื อ, คอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านคิดบารูปคือรูปเวทนาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาลูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไป จิตตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นแสงสว่างแห่งทำทั้งหลายเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามเป็นแสงสว่างก็ตามเป็นความมืดก็ตามมันก็คือตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาขันไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่ของเราถ้ารูปขันหน้าเป็นของเราเราต้องบังคับขันของเรารูปบอะได้แก่ขันจะได้แตก ขันจะได้พังขันจะได้สุดโทรมย่าได้เจ็บยาได้ตายแต่เราต้องบังคับมันได้แต่รูปนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาจิตของเราที่เราภาวนาภาวนาที่เราเห็นบางพิจารณาลงไปเนี่ยเรามองดูแล้วก็น้อมมาสู่ตัวเราเองตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ามุมมองมอ ง, มองดูว่าสิ่งไหนเป็นของเที่ยงบ้างสั่งสิ่งไหนเป็นขอถาวรบ้างสิ่งไหนเป็นของสวยงามบ้างนะผมก็มีตาที่หัว ตาก็มีขี้ตาปากก็มีขี้ฟันจมูกก็ขีมีขี้มูกหูก็มีขี้หูนะหนังก็มีขี้ใครนั่นเล็บก็มีขี้เล็บล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งสิน้นเราลงพิ จ, จารณาดูแล้วก็พามาดูเราพิ จ, จารณาดูดูให้มันถึงข้างในก็ได้ดูกายในดูกายนอกเวทนาในาเวทนานอกเวทนาข้างในก็ตามเวทนาข้างนอกเกิดตามมันก็คือเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาทั้งสิน้นถ้าจิตของเราไ ด, ได้เห็นแล้ว จิตของเราพิจารณาลงไปแล้วรูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนถ้ารูปเป็นตัวเป็นตนแล้วเราต้องคับรูปได้ที่รูปมันไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะไปยึดติดกับรูปยังไงก็จิตมันก็สามารถปล่อยวางลงนี่แหละพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับอนัตสูตรและอนัตตะกนัสูตรให้ปัญจวัคคีทั้ง5ปัญจวัคคีทั้งห้าก็คิดว่าตัวเองเนั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่ถ้าฟังฟังธรรมธรรมจักรแต่เรียบร้อยแล้วอนัตตะกนัสูตรเรียบร้อยแล้วนะ อัญญาโกฏัญญะก็เข้าใจทันทีเลยเข้าใจแต่ถ้าเกิดมีคำมีมุดความมีมุดคือคือสว่างขึ้นมาทันทีอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองเป็นงั้นนี่เองเป็นอย่างั้นนี่เองถ้าจิตมันไม่ยึดติดอย่างเดียวเลยไม่กลัวทั้งเดียวถามว่ากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแล้วต้องแก่ไหมต้องเจ็บต้องตายไหมกลัวก็แก่กลัวก็เจ็บกลัวตายความกลัวเหล่านั้นจึงเมื่อเห็นความแก่ความเจ็บความตายจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์จึงดิ้นหลนเพื่อจะหาหนีทุกข์แต่มันก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าเผือเรามีธรรมน่ะ มองดูความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจราธรมมุมหิจรังนติโตพิยาที่ทำมุมหิปยาจริงอนติโตมรณธรมมุมหิมรณนังอนติโตเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะไม่เศร้าสามารถร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เม bueno ื pues ่อจิตเราไปพิจารณาอย่างนี้มันความแก่ความเจ็บความตายพอเราพิจารณาเป็นไตรลักษ เป็นสามัญยลักษณะมันเป็นลักษณะที่เสมอกันกับสังขารนังพวงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็เกิดขึ้นมาพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สมก็เป็นแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้จะมีต่อไปในพุทธเจ้าพระสียาเมตัยก็เป็นแบบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเราจะต้องไปสงสัยทําไมเราไม่ไปยึดติดพอเราไม่ยึดติดไปปับ๊บเราพิจนามากๆเข้ามากๆเข้ า, า, า, า, า, าจนเกิดความเคยชินพิจนาทุกวันความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติธรรมดาจนพิจานาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเข้ามันไม่เกิดไม่ กลัวเห็นความแก่มันก็มองดูว่ามันแก่เป็นธรรมดาเห็นความเจ็บมันก็เป็นเจ็บธรรมดาเห็นความตายมันก็เห็นความตายเป็นธรรมดาทุกคนเป็นตายอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ตายาเฉพาะเราอย่างเดียวมันก็เลยจิตมันก็ยอมรับพอยอมรับมันก็ปล่อยอารมณ์วางตรงนั้นเราก็เลยไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนี่แหละคือการที่ปล่อยวางเพราะฉะนั้นในยุคก่อนพระพุทธเจ้าก็มีคนที่ปฏิบัติแต่ไม่ได้ใช้สัมมาสมาธิ มีแต่เพียงแค่สมาธิอย่างเดียวยึดติดอยู่ในความสุขที่เกิดจากความสงบแต่สัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าในมัชมีองค์8ดสมาธิประกอบด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาแล้วไม่สงสัยด้วยปัญญาว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ยึดติดเมื่อมันเกิดคือเกิดเมื่อมันตั้งอยู่ก็สรบางความดีสร้างความดีไว้เหมือนเราและท่านทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตเหมือนสมเด็จพระสังฆราชพญาณสังวลิขิตหนังสือเล่มหนึ่งว่าชีวิตนี้น้อยนะ โยมว่าร้อยปีนี่มันมากเลยนะมันไม่ได้มากเลยกับการที่เราจะสามารถอยู่เพื่อทำความดีเพื่อให้บรรลุมาผลนิพานเนี่ยมันน้อยมากนัก ท่ไม่สังเกตดูเลบุคคลทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าลุงปู่เสาลุงบ้นานพอจิตมีธรรมนั้นนั่นเองนะ่ะท่านก็ใส่อย่างเดียวเลยท่านก็มุ่งมั่นทำความาความเพียนอย่างเดียวอดอาหารลาบากยากเข็ญยังไงก็ตามโป่งไม่มีหมอนไม่มีอะไรต่างไม่มีมุ้งไม่มีถูกยังกัดก็ยุงกัดไปอยู่กลางป่าฝนตกก็เปียกอะไรต่างๆก็เปียกท่านก็ใส่เต็มที่ไม่มีคําพูดคาไหนเลยที่ท่านบอกให้ถอยหลังลุยไปลุยไ ป, ยไปทั้ ง, ท, งทั้งที่ข้างหน้ามีแต่ความยากลําบากอาหารก็ไม่มีกบฉัน นะพะ h o m e ก็มีเราดูหนาวฝนตกหรือดูฝนก็ไม่มีมุ้งไม่มีผ้ากันล่มก็ไม่มีแต่ท่านเหล่านั้นก็ซัดกันเต็มที่นั่นแหละมันไม่ทุกข์ก็ได้เห็นทุกข์พอมันเห็นทุกข์มากๆแล้วบมันจึงกลัวทุกข์เราจะต้องมาเกิดแบบนี้อีกกี่ภพกี่ชาติละ่ะจะเป็นแบบนี้อีกกี่ภพกี่ชาติที่มันเป็นมาแล้วยังไม่พออีกหรือยังไม่พออีกหรือเรายังจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหรือถ้าตราบใดถ้าไม่มีพุทธศาสนาเกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณา นั่นดูท่านกับพิจนาดูเพราะนั้นลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นเท่าที่อตาตมารู้ที่ไปเผาสรีระสังขารของลูกศิษย์ของหลวงปู่ ม, มั่นหลายๆองค์นะที่ไปเผามาแล้วทุก อง์เหล่านั้นอาทิเป็นแปรเป็นประธาตุทั้งหมดเลยนั่นบ่งบอกไว้ว่าเพราะความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวในหัวใจความตั้งมั่นความศรัทธาในเชื่อถือในคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะนําไปสู่ความพ้นทุกข์อาจารมาก็เชื่อมั่นจิตของเราก็จิตของพระอรหันต์ลุงปุษสาวลุงปุม้ม่นก็เป็นจิตเหมือนกันธาตุก็เหมือนกันขันก็เหมือนกันแต่ทําไมท่านทําได้ทําไมเราทําไม่ได้เพียงแก่ต้องการอย่างเดียวหรือว่า คืออยากได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่การภาวนาของเรายังไม่เต็มที่ก็ใส่ให้มันเต็มที่อย่างน้อยที่สุดชาตินี้เรายังไม่ถึงก็ขอให้เข้าไปอยู่ในโสดาบันก่อนสกิทาคานาคาแล้วต่อไปข้างหน้าเกิดมาอีกชาตินึงศาสนาพุทธยังไม่ได้หมดไปหายจากไปจากโลกใบนี้แน่นอนนะเราศาสนาพุทธไปเจริญที่ไหนก็ตามขอให้เรามีจิตตั้งมั่นว่าศาสานาพุทธไปเจริญที่ไหนก็ตามขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าไปเกิดในที่นั้น แต่จะมาก็เชื่อมั่นว่าญาติโยมทั้งหลายมีทุนดีอยู่แล้วมีบารมีอยู่แล้วทั้งทุกท่านทุกคนในเรื่องของความสมบูรณ์ที่เป็นอริยทรัพย์ภายในจงน้อมนําอริยทรัพย์เหล่านั้นมาใช้ต่อเติมอริยทรัพย์ที่มันยังไม่สูงสุดเนี่ยให้มันสูงสุดให้ได้เพราะฉะนั้นทําต่อทําจิตต่อจิต ภาวนาต่อภาวนาทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกปัญญาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นสมาธิที่เป็นเหมือนดังความสงบที่ว่ามีความสุขใจจริงมีอยู่ก็เรียกว่านัตตินัตติสันติป ร, รังสุ ข, ขังสุขอื่นนอกจะความสงบไม่มีจิตที่มันสงบแล้วมันมีความสุขแต่มันมีความสุขมันก็ยังว่ามีความสุขแต่มันมีความสุขที่มากไปกว่านี้จิตที่ ใช้สมาธิประกอบด้วยปัญญาสัมมาสมาธิสมาธิประกอบด้วยปัญญามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดรู้จักตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสิบพอถึงฌานสิบเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเปิดเป็นปัญญาความรู้ขึ้นท่านให้ปล่อยความปัญญาเหล่านั้นความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นลงทั้งหมดเมื่อเราสามารถปล่อยความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสิปัญญาทั้งหมดเนี่ปล่อยความรู้ทั้งหมดไม่ให้ยึดติด เมื่อเราไม่ยึดติดในความรู้เหล่านั้นน่ะอาจจะมาเชื่อมั่นว่านั่นแหละคือนิพพานถ้าเรารู้แล้วเรายังไม่ปล่อยวางมันก็ยังไม่นิพพานนะไม่นิพพานตัวจริงนะเป็นเหมือนดังสุขวิปัสสโกเขาบรรลุแล้วแต่ยังแห้งแรงอยู่แต่ถ้าเบื่อบรรลุแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดได้เมื่อไหร่เลยเมื่อนั้นแหละสัมมาสมาธิสมาธิประกอบเป็นปัญญาเพราะนั้นจงใช้สมาธิเป็นฐานเมื่อเช้าโยมถามอยู่แล้วถามวเราจะใช้สมาธิกระโดดข้าม ไปเล่นไปไปพิจารณาปัญญาเลยได้ไหมสู่เข้าสีพานเลยได้ไหมไม่ได้ขึ้นขั้นบันไดต้องขึ้นขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายมันต้องไปตามลำดับถ้า่งั้นมันไปไม่ได้มันตกก่อนแล้วถ้าเราขึ้นไปทีละขั้นมันจะมีความมั่นใจเหมือนเราเรียนเหมือนมัธยมปหนึ 1, ่งปสองมันก็ถือว่าเป็นของที่มีค่า ไม่ใช่เป็นมัธยมเป็นของนิมีค่าเป็น ญ, ญาตีปัญญาโอคมีค่ามีค่ามากที่สุดก็คือตั้งแต่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามไปตั้งแต่ปอหนึ่งปอสองปอามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไ อ, ป อ, น υ, ป อ, นอไ้ปอหนึ่งปอสนี่แหละปอหนึ่งพอสองปอสาจะทำให้เราไปสามารถเรียนปริญญาตีปริญญาโทได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายนั่นคืองโลกเรื่องของธรรมก็คือเรื่องของฌานไปเรื่องของศีลเรื่องของธรรมไปอาตมาก็เชื่อมั่นญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงอาตมาก็คือเราได้สัมผัสกับความสงบได้สัมผัสกับความมเป็นจรริง ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตมาไม่ได้คุยนะไม่ได้โม้นะแต่ตมารู้ว่าสิ่งที่เราเอาจริงเอาจังกับมันเนี่ยมันจะสามารถให้คุณค่ากับเราอย่างสมคุณค่าที่สุดเก็บอย่างอื่นยังมีความห่วงความยายตายแล้วอาจจะไปเป็นจริงจกทุกแก่เฝ้าสมบัติถ้าเก็บบุญเก็บกุศลเก็บความดีเก็บปัญญาไว้เก็บแบบไม่ต้องกลัวใครจะเอาไปเราได้โจรพ้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้ไไไไดนาน้ําจะหลากพังพินาศไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเก็บ บุญเก็กุศลเก็บความดีเก็บสมาธิและปัญญาของเรานะั้นน่ะมันจะต่อเติมไปสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่นานมันก็จากเราไปเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนประเด็นดนั้นกลายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเมื่อกายของเราเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งสมาธิกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งขณะที่เราทําสมาธิจะเป็นการฟังเทศเป็นสมาธิกับการฟังเป็นสมาธิกับการเดินจงกรมเป็นสมาธิกับการอ่านหนังสือ เป็นสมาธิกับการบำเพ็ญความภาคความเพียรก็คือทำให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วการสงบแล้วเราก็เอาจิตของเรานะเรนาี่ยพิจารณาธรรมดูไปไม่ต้องไปดูภายนอกโยมดูธรรมะธรรมะที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดตั้งแต่เส้นผมไปสู่ปลายเท้าข้างในและข้างนอกกายอันนี้มีแขนมีขามีหูมีตาอย่างที่เราเห็นอยู่แต่โยมรู้ไหมว่าอวัยวะภายในมันก็เป็นกายข้างมันอยู่มันอยู่ด้วยกันอาการสามสิบสอง แต่ละอันดอ่ละอันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันทำงานร่วมกันมันไม่เคยเกี่ยงกันมันทำงานร่วมกันเรื่งทําใไม่กายของเรานั้นสามารถมีธาตุมีขันมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่เราได้รู้ได้เห็นอยู่นี้มันก็เกิดมาจากขันห้านี่แหละเพราะฉะนั้นธาตุขันทั้งหลายทั้งปวง มันไม่ใช่อันเดียวกันมันรวมตัวกันอยู่มันก็สามารถทําความดีสร้างความดีบําเพ็ญความดีได้แต่ถ้าเผื่อมันแตกแยกเมื่อไหร่มันก็จบในการสร้างความดีบําเพ็ญความดีแล้วไม่มีอะไรที่จะไปคุ้มครองและปกปักรักษาธาตุขันให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้ชีวิตของเราเขาให้มาตามกําหนดที่เขาให้มาสามเดือนสองเดือนบ้างวันหนึ่งสองวันบ้างร้อยปีบ้างห้าสิบปีแปดสิบปีบ้างเขาให้มาขนาดนั้นเราก็ใช้มันขนาดนั้นเราจะไปใช้เกินมากกว่านั้นก็ไม่ได้ แต่อย่างอื่นเรายังสามารถต่อรองได้ในเรื่องของธาตุน้ำแข็เนี่ยเราต่อรองไม่ได้แต่เราไม่สามารถจะเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกทําความดีได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราทําความดีได้ทําความดีเอาใส่ความดีเหล่านั้นนะอย่าให้หัวใจของเราหมดความดีอย่าให้ความดีหมดไปจากหัวใจของเราอาตมาว่าสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายพึงปรารถนาก็จะสำริศผลอย่างแน่นอนวันท้ายนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคน ที่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จอยู่ที่ใจหัวข้อธรรมที่จะมาจะยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าธรรมะจะริงสุ ข, ขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเราและท่านทั้งหลายกําลังประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ไม่เป็นสุขแล้วโลกใบนี้ใครแล้วจะเป็นสุขได้ เท่ากับเราธรรมจริงสุ ข, ขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขก็คือระชั่วทำดีทำกิจให้แจ่มใสและเบิกบานน่าก็เรียกว่า มีหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่รับมอบหมายมาจงทําหน้าที่การงานดังนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตนะและตั้งใจทําให้สนุกกับการงานในการทํางานที่สนุกกับการงานคือทํางานด้วยความพอใจทํางานด้วยความเต็มใจทํางานด้วยการรักงานที่เราได้ทําที่ได้รับมอบหมายมานั่นแหละก็เรียกว่าสนุกกับการงานชีวิตของเราก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าจะได้เงินอะไรต่า ง, างๆมาไม่จําเป็นแต่สิ่งที่จะได้รับมาเมื่อบํารุงรักษา การงานของเราให้สมบูรณ์ทุกอย่างผลประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นในความสมบูรณ์ขนาดถ้าการงานของเราไม่สมบูรณ์ผลประโยชน์มันก็สมบูรณ์ต้นไม้มันมีลําต้นที่สมบูรณ์โยมไม่ต้องห่วงว่าเมื่อมันมีผลมาผลก็สมบูรณ์ พะะัญญานจงรักษาต้นไว้ให้ดีให้สม่ำเสมอให้มีความซื่อสัตย์สุดจริตในหน้านที่การงานเหล่านั้นไม่กินแรงใครไม่กินเวลาใครไม่ทุศีนอะไรต่างๆจงทํารักษาไว้เหมือนที่เรารักษาอย่างนี้อาดามาว่านี่คือธรรมจริงสุ ข, ขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขวิริเยทุกขมัสเจติเมื่อญาติโยมทั้งหลายพึงปรารถนามรรคผลนิพพานโยมก็มุ่งมั่นทําความภาคความเพียรให้มากๆเข้าแนวะวิริเยความเพียรในการละชั่วทำดีทำจิต ให้แจ่มใสเรเบิกบานอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่ละทิ้งทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆฉันทะความพอใจวิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นจิตตาเอาใจสิ่งสิ่งนั้นวิมังสามันตรตองในสิ่งนั้นให้สมบูรณ์แบบตลอดตั้งแต่เบื้องต้นเหมือนฟังเทศธรรมะไปร้อในเบื้องต้นไปร้อในทากลางไปร้อในบ้านปลายเมื่อจบเอวังแล้ว เราก็มีความสุขกับการได้ฟังธรรมชั้นใดก็ตามการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะธรรมะจริงสุขสังเสติววริเยทุกขมัสเจติปัญญาโรกสมินติต้องรู้และเข้าใจด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้อะไรก็ตามที่ได้มาโดยความชอบธรรมถูกศีลถูกธรรมถูกจิตถูกใจถูกตามคาสอนของพุทธเจ้าปัญญาู้แจงเห็นจริงเหล่านั้นแหละจึงเรียกว่า ปัญญาแห่งพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าปัญญานําไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นให้บรรลุด้วยปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาทำไรจงใช้ปัญญานั้นพิจารณาเมื่อไม่ตัวเองไม่เดือดร้อนทําอะไรคิดอะไรนึกอะไรแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนคิดไปเลยทําไปเลยเพราะฉะนั้นคิดทําความดีคิดวันละร้อยครั้งผ่าครลางโยมก็คิดไปเถอะยิ่งคิดมันก็ยิ่งดีคิดทําความชั่วคิดวันละครั้งเดียวหรือทําครั้งเดียว ก็อย่าคิดเลยเพราะครั้งเดียวมันก็ทําให้เราเศร้าหมองได้พรานอาตมาข อ, อนโมตนากุศลพลบุญกุศลจิตกุศลเจตนาของเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มาร่วมในการาใส่บาตตอนเช้าฟังเทศน์ฟังธรรมตอนกลางวันจงใช้เวลาหยุดของเรานั้นเป็นของที่ให้มีค่าที่สุดคือเวลาตรงนี้ ไม่ได้กินแรงใครไม่ได้กินเวลาของใครโดยความชอบธรรมทั้งหมดเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็ไปทํางานของเราต่อจนหมดเวลานั่นแหละจึงได้ชื่อว่ า, าทั้งกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามมีเวลาใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่าความคุณค่าก็จะเกิดขึ้นกับเราจงใช้ปัญญาของเราพิจารณาลงไปแม้จะเป็นสมาธิเล็กน้อยแต่ทำบ่อยๆเข้ามันก็เพิ่มมากขึ้นกายให้เป็นหนึ่งจิตของเราให้เป็นหนึ่งเมื่อกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่ง เมื่อกลายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายผ่องใสใจเบิกบานแล้วจงนำจิตของเราที่เราเป็นหนึ่งนั้นพิจารณาธรรมตั้งแต่เส้นผมเราปลูกไปเท้าภายในภายนอกทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของโลกอารมณ์ของธรรมทั้งหมดด้วยแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นที่เรียกว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาลงไปถึงที่สุดแล้วปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเกิดความรู้สึกขึ้นเพ่ง พิจารณาลงไปยังไงพิจารณาเห็นความไม่แน่นอนใอนสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อเข้าใจแล้วรู้แจ้งแล้วปัญญาเกิดความรู้แล้วจงปล่อยความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ให้เหลือแม้กระทั่งความรู้ในปัจจุบันนั่นแหละคือคําสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่สุดแล้วบรมปรสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกท่านทุกคนวันนี้อันไม่ได้ต่อไปต่อไปเราสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ เหมือนพระเจ้าสะสมเสียสงขายแสนมหากัปจึงได้เป็นสิทธิฐาราชกุมารแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราและท่านทั้งหลายปารนาสิ่งใดทานบารีสัมปันโนศิลบาลมีสัมปันโนเนคขมะบา ร, รมีสัมปันโยปัญญาบา ร, รมีสัมปันโนเลื่อยไปจนถึง วิทยาบารมีสัมปโนรวมแล้วทั้งสิบบารมีสิบชาตินั้นก็จะสามารถทําให้หัวจิตหวัวใจของเรนั้นโดยความเป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจในของที่มีอยู่ประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมคาสอนของพระเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราพึงปรารถนาไว้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติสมวัรถุมสมบัตินิพานสมบัติด้วยอนานาจแห่งบุญกุศลที่เราสะสมมาตั้งแต่ในอดีต ป, ปัจจุบันจะได้บรนโดนบันดาลกับประกอบกับบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพัฒนาใจทั้งสจงสถิตในหัวใจของพวกเราจงมีดวงตา มาเห็นธรรมมีสติที่ดีสมาธิที่ดีปัญญาที่ดีจงใช้สติที่ดีสมาธิเป็ที่ดีปัญญาที่ดีนั้นพิจารณาธรรมลงไว้สุ่กายของเราถ้าตราบใดกายของเราจิตของเราเข้าใจในสภาวะแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละสิ่งที่เราพึงปรารถนาไว้จะได้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาอย่างแน่นอนท้ายนี้ขอให้เราทุกท่านทุกคนจงน้อมจิตน้อมใจน้อมเอาความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่เราได้มาบําเพ็ญในวันนี้ได้เป็นความ ดีเหล่านี้ก็ขออน้อมเอาความดีเหล่านั้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็น้อมเอาความใดเหล่านั้นถวายไปถึงจิตวิญญาณพระบรพภามาหากษัตริย์และทุกๆุกปรงตั้งแต่แนอดีตสู่ปัจจุบันและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พานาะพระลูกยาเธอที่ ท, ทรงพระบัชวนอยู่นั้นนาะจงให้วันไห้คืนนาะก็สิ่งใดที่เราพึงปรารถนาไว้แล้ว ชอบได้ทำประกอบได้เหตุและผลก็ขอด้วยบุบารมีแห่งปรัตนาใจบุญกุศลที่เราสะสมมาจงดนบันดาลในความปรารถนาเรานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแก่พวกเราและท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกๆุกคน เ, นเทสนาวาสาเนศสิ้นสุดแสดงพระธรรมเทศนาจึงขอยุดติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรชนี Oh